6. สุรุสุรุวัตสิกขาบทที่หนึ่งถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติทุกกฎแก่ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อฉันทาเสียงดังซู่ดู่ณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงโกสัมพีถามทรงปรารบใครตอบ